น้ำใจสหธรรมิกครั้งแรกที่ผมอธิษฐานต่อหน้าพระประธานบนศาลาที่วัดป่าบ้านตาดว่าผมจะช่วยทําโครงการช่วยชาติของหลวงตาจนเสร็จนั้นในขณะนั้นหลวงตาท่านตั้ ง, งจุดหมายว่าจะระดมทองให้ได้สี่ตันพอทําทําไปจากสี่ตันท่านเพิ่มเป็นสิบตันผมก็คิดในใจแล้วเราจะไหวไหมเนี่ยเราไม่มีไรายได้ และจะเอาเงินมาจากไหนมาใช้จ่ายแต่ผมก็ได้เพื่อนเจ้าของร้านเสริมสินซอแดงกับคุณวิชัยเสริมสินเขาช่วยสนับสนุนเราเรื่องยางรถยนต์ให้ยางรถมาแล้วก็น่าแปลกเวลารถผมจะเสียมันจะต้องไปเสียตรงหน้าคนมีสตางค์มีอยู่วันหนึ่งผมสตาร์ตรถแล้วกำลังจะออกรถพอดีซอแดงเห็นอาการเฮยฮูร้รถมันพังแล้วนะไปป้เอารถไปซ่อม ผมก็บอกซื้อๆไม่มีเงินซอแดงบอกทันทีเดีย๋ยวฉันออกให้เองเอาไปอู่ช่างน้อยเลยนะเดีย๋ยวฉันไปจ่ายสตังค์ให้แล้วอีกทีเราไปแจกต้นพะป่าอยู่ที่กรุงเทพเครื่องรถมันจะพังอยู่แล้วเพราะเราใช้รถเต็มที่มายาวนานเป็นปีๆพอมีรถผมก็ขับปูเลงกูเลงไปเงินก็ไม่มีซ่อมปรากฏว่าไปเจอคนมีสตางค์เขาอีกคุณโชติมาดานเจริญเขามาได้ยินเสียงรถผม เขาก็บอกเอียโฮฟังจากเสียงเครื่องอ่ะเอาไปทำเถอะรถมันจะพังอยู่แล้วผมก็บอกตรงๆทำได้ยังไงเงินตั้งสามสี่หมืน่นเขาก็ปรารณนาเดีย๋ยวช่วยออกให้ไว้อยู่ไว้อยู่แล้วเขาก็ช่วยยกเครื่องให้เห็นไหมครับน้ำใจของพวกเขาแต่ละคนผมจึงยังสามารถช่วยงานหลวงตา ม, มาได้เรื่อยๆมีอีกครั้งหนึ่ง ผมเข้ากรุงเทพใช้จ่ายจนเงินหมดนั่งนึกอยู่ว่าจะทำอย่างไรดีเหลืออยู่2อ0รอยบาทเท่านั้นตอนนั้นเรื่องที่ผมทำโครงการช่วยชาติก็มีเพียงบางคนเท่านั้นที่รู้ยังไม่ค่อยมีใครรู้จักผมผมจึงตัดสินใจเติมน้ำมัน100บาทอีก100บาทเพื่อเอาไว้ซื้ออาหารกินและผมก็ขับเข้าปั๊มน้ำมันปรากฏว่าคุณเหรียญเขาขับรถตามหลังผมเข้าปั๊มมาติดๆผมก็ไม่รู้พอผมจอดรถกาลังจะบอกเติมน้ามัน100บาท คุณเหรียญเดินมาหาบอกสวัสดีเฮียโฮตอนนั้นเขารู้จักผมแต่ผมยังไม่รู้จักเขาจะเติมน้ำมันหรือครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นให้เหรียญทำบุญหน่อยได้ไหมเหรียญจะเติมน้ำมันให้แล้วคุณเหรียญก็บอกเด็กปั๊มน้องเติมคันนี้เต็มถังและเขาก็ชี้ไปที่รถเขาเองคันน้นเติมสองร้อยบาทโอ้ยคิดดูสิครับเต็มถังของเราแต่ของตัวเองเติม200นี่คือน้ำใจของคุณเหรียญ บางครั้งผมก็เห็นอยู่ว่าในกระเป๋ามีเงิน40บาทแต่ก็แปลกอีกวันรุ่งขึ้นเกิดมีใบละพันบาทมาอยู่ในกระเป๋าผมก็ได้แต่สงสัยเงิน1000บาทเนี่ยมาจากไหนก็เราไม่มีนินาเมื่อวานมีในกระเป๋าแค่40บบาทแล้วมันเกิดมีขึ้นมาได้ยังไงแต่ในการทำงานถวายหลวงตานี่ผมจำเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้มากเป็นเบลอไปหมดก็พวกผมออกไปทางานกันตั้งแต่เช้ากว่าจะกลับมากลางคืน และยังต้องมาเตรียมต้นพระ ป, ป่ากันจนถึงตีหนึ่งตีสองมาแต่งต้นกันบ้างอะไรบ้างและไหนจะต้องหาเงินหาอุปกรณ์อีกสมัยก่อนทำรูปมาติดต้นพระ ป, ป่าทีหนึ่งก็4ี่0ห่นบาทซึ่งเราก็ไม่มีทุนทุกอย่างต้องซื้อหากันเองแม้แต่ไม้ยางรัดฟางก็ต้องหาซื้อกันเองทั้งหมดไม่มีคนสนับสนุนเราแต่ก็แปลกปรากฏว่าพวกเราก็ไปหาไปทากันจนตลอดรอดฝั่งได้ทุกครั้ง น้ำใจโรงพิม์สินสยามมีครั้งหนึ่งโรงพิม์สินสยามและนิมนต์หลวงตาไปเทศและรับต้นพระป่าที่โรงพิมมีคนบอกเฮียกวงเจ้าของโรงพิมว่าให้โทรศัพท์ไปหาเฮียโ่้ให้มาช่วยแจกต้นพระป่าเขาแจกเก่งเฮียกวงถึงโทรศัพท์มาหาผมนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมได้รู้จักกับเฮียกวง ผมก็ไปช่วยไปวันแรกเขาเอาสตางค์ให้เป็นค่าน้ามันรถผมบอกไม่เอาผมยังมีอยู่แล้วผมก็ไปทำงานต่อมาเฮียกวงก็บอกเฮียโฮพูดเก่งช่วยไปแจกตามโรงงานต่างๆให้หน่อยคือตามโรงงานนี่เข้าถึงตัวคนลำบากอย่างมากไปจอดอยู่แค่ประตูเพราะยามเขาก็ไม่ให้ไปต่อแล้วเราก็ต้องพยายามพูดชี้แจงให้ยามเข้าใจถ้ายามเขาเข้าใจเขาก็โทรศัพท์ถามเจ้านายให้ เราก็คุยกับเจ้านายเขาอีกรอบถ้าเขาอนุญาตเราจึงจะเข้าไปได้มันหลายขั้นตอนมากบางโรงงานก็อนุญาตบางโรงงานก็ไม่อนุญาตแต่ในที่สุดก็อุตส่าห์ได้มาหลายโรงงานอยู่เพราะเท่าที่จำได้ตอนนั้นรู้สึกจะให้ตํารวจไปเป็นเพื่อนเราด้วยก็มาทราบว่าประสบความสำเร็จพอสมควรคนมาฟังเทศหลวงตากันเต็มโรงพิม เราก็ไม่รับเงินจากเขาเลยนะทั้งๆ ท, ที่เฮียกวงพยายามยื่นให้เราใช้อยู่ตลอดแต่ผมก็ไม่รับพอช่วยแจกเสร็จพวกผมก็จะกลับผมไปลาเฮียกวงแกยังไม่ยอมให้กลับขอให้อยู่ช่วยงานให้เสร็จก่อนผมปฏิเสธเพราะยังมีงานที่อื่นรออยู่อีกมากที่จริงแล้วผมก็อยู่ช่วยที่นี่มากวันกว่าที่อื่นๆแล้วเฮียกวงเดินมาส่งผมและก็พูดว่าทําไมเสียงเครื่องรถเฮียฮมูมันดังผิดปกติ ที่จริงเฮียกวงแอบดูเกณฑน้ำมันไว้แล้วเฮียกวงก็เขียนบินน้ำมันให้ห้าร้อยบาทเฮียฮ ah ้อเอาไปเติมน้ำมันหนะ้าห้าร้อยบาทผมบอกไม่เป็นไรไม่ต้องครับแกก็บอกอีกโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เขียนไว้แล้วเดี๋ยวเสียบินช่วยรับไว้หน่อยห้าร้อบาทเนี่ยมันก็นิดเดียวบินก็เขียนไปแล้วผมก็เลยรับเข้ามาห้าร้อยบาทจากวันนั้นมาเฮียกวงบอกผมว่า ตั้งแต่วันนี้ไปรูปกับธงที่ใช้ประดับต้นพับป่านี่ทางโรงพิมพ์จะพิมพ์ให้ตลอดก็ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพิมพ์สินสยามนับแต่บัดนั้นมาจนปัจจุบันงานก็สะดวกขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ธงจากแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกันราคาก็ไม่เท่ากันมีตั้งแต่ใบละบาทหกสลึงใบละสองบาทก็มีซึ่งต้องใช้ทุนไม่ใช่น้อยๆไปแจกต้นพับป่าแต่ละครั้งแต่ละที่ เราใช้ไม่ต่ำกว่า 3,000 ต้น 5,000 ต้นอย่างน้อยก็ต้อง 2,000 ต้นก็แล้วแต่ว่าจังหวัดใหญ่จังหวัดเล็ก